สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยสีสิบสองพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระตำพีปัตติวดที่สิบสามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับคําอุปมาซึ่งจริงๆเมื่อเรากลับมาดูคำสอนของพระเยซูที่พระเยซูได้เทศนาสั่งสอนรงไม่ได้เทศนาบนภูเขา เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเนื้อหาเฉพาะจอจงเท่านั้นแต่พปรงยังทรงใช้คำอุปมาซึ่งเป็นคำสอนอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนที่มาจากแคว้นกาลรลีกรุงเยลเซเล็แคว้นทศบุรีหรือที่เรียกว่าเดคคาโพลิสหรือแม้กระทั่งแคว้นยูเดียหรือแม่น้าจอดแดนโรงทรงเดินทางสอนจากที่หนึ่งไปที่หนึ่ง งองทรงมีประสบการณ์สูงครับในการเดินทางและการสอนรงรู้จักผู้ที่เรียนหรือที่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังโจอนาขององเพราะโจอนาของพระเจ้าได้กล่าวว่ากิตติศัพท์ของพระเยซูนั้นก็เลื่องลือไปทั่วประเทศซีเรียซึ่งประเทศซีเรียนั้นอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลนะครับคนซีเรียหรือคนที่เข่งครัดในเรื่องของพระเจ้าก็มาหาพระเยซูเพื่อที่จะมาฟังสิ่งที่ดีๆจากพระองค์ ที่เป็นภาพที่น่าเลื่อมใสน่าศรัทธาของพระเยซูแม้กระทั่งพระเยซูทําการอัศจรรย์ น, นะครับคนตาบอดมองเห็นได้คนง่อยเดินได้คนตายฟื้นขึ้ น, นมาพี่น้องครับเราเห็นว่าคําสอนของพระเยซูดาเนินไปพร้อมกับการอัศจรรย์หรือการกระทําครับคําสอนต้องไปด้วยกันกับการกระทำํำเป็นการเสริมสร้างกันเป็นการเสริมกันครับพี่น้องครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของคําอุปมาครับ คำโอบมานั้นช่วยให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่เบียตู ส, สอนทำให้เราเข้าใจเรื่องยากๆระียซูยใช้คำโอมมาเพื่อที่จะเปรียบเทียบเรื่องยากๆก็คือเรื่องที่ไม่มีใครเคยรู้เคยเห็นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์ครับแล้วก็ยกตัวอย่างของที่อย่โลกนี้เพื่อเปรียบเทียบกันในคอมมานั้นถ้าเราไปดูภาษากรีกนะครับภาษากรีกใช้คาว่าพาราบุเร e A R A B O L E ครับพาราโบเลแปลว่าสิ่งที่เหมือนกันคําอุปมาคือการที่พระเยซูได้ทรงอ้างเอามาเปรียบเทียบระหว่างของสองสิ่งหรือสิ่งสองสิ่งเพื่อประโยชน์ในการสอนครับคําอุปมาอาจจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างความจริงที่รู้จักกันดีกับความจริงอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เคยไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนคําอุปมานี้จะช่วยอธิบายความจริงฝ่ายยานซึ่งมองไม่เห็น โดยการเปรียบเทียบกับบางสิ่งบางอย่างที่มองเห็นได้ในธรรมชาติหรือบางสิ่งบางอย่างที่เกิดจากประสบการณ์จริงของชีวิตโดยคาดหวังว่าผู้ฟังพระเยซูนั้นจะสามารถตีคุณค่าของคำสอนและนำไปใช้ในชีวิตของเขาได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ใช้ถือว่าเป็นการเป็นสื่อการสอนอย่างหนึ่งครับก็คือคาอุปมานั่นเอง นะครับในขณะที่เราเป็นผู้ได้ยินได้ฟังเป็นผู้เรียนพระคัมภีร์นะครับเราจําเป็นต้องยอมให้พระเจ้าตัดกับเราโดยผ่านทางคาอุปมาเหล่านี้ครับเราจะตีความหมายของอุปมารหรือความหมายพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับคาอุปมาเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับต้องมีหลักครับและวันนี้ผมจะบอกหลักการสี่อย่างให้กับพี่น้องครับเวลาที่เราจะอ่านคําอุปมาแล้ว จะมีความเข้าใจและตีความหมายที่อย่างถูกต้องครับนะครับโดยตั้งคำถามต่อไปนี้ห <c oughs> ลักข้อแรกก็คือในเรื่องถามว่าเราคิดว่าอะไรเป็นหลักความจริงที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิญญาณในคําอุปมาทั้งเรื่องนี้อะไรเป็นหลักความจริงที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิญญาณของธําอุปามานี้ประการที่สองก็คือว่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ตอนนี้เป็นไงบ้าง เปเยูอยู่ที่ไหนบริบททรงกําลังสอนใครเกิดอะไรขึ้นในบทก่อนหน้านี้และบทที่อยู่หลังนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าต้องดูบริบทครับหลักข้อที่สองก็คือเกี่ยวข้องกับบริบทหลักข้อแรกเป็นหลักความจริงหลักข้อสองก็คือบริบทหลักข้อที่สามนะครับคําถามก็คือท่านรู้สึกอย่างไรขณะที่ศึกษาข้อความเหล่านี้ท่านคิดอย่างไรท่านสัมผัสว่าพระเจ้าจัด ก, กับท่านอย่างไร ท่านประทับใจหรือได้รับการสัมผัสแตะต้องในจิตใจของท่านเรื่องอะไรบ้างพระเจ้ากําลังเตือนเราถึงบางสิ่งบางอย่างที่เราควรทําหรือไม่ควรทําหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากทําแต่ยังไม่ได้ทําหรือไม่อยากทําแต่ต้องทําแล้วยังไม่ได้ทําหรือบางสิ่งบางอย่างที่ทําไปแล้วอาจจะผิดอาจจะถูกท่านหรือเราเราประทับใจหรือสัมผัสอะไรในใจของเรา เราได้รับการเตือนหรือได้รับการตรัสจากพระเจ้าอย่างไรนี่เป็นข้อที่สามครับข้อที่สี่ก็คือคําถามก็คือเราจะนําความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ในข้อเหล่านี้จากธําอุปมาหเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรอันที่สี่ก็คือเราแอปพ c ิเคชันขอโทษครับแอปแอปพลิเคชันนะครับข้อที่สามคือแอปพลิเคชันข้อที่สี่คือแอปพลิเคชัน นะครับผมขอสรุปในเช้านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องหลักการตีความหมายท่าควาีของคำ อ, อุ ป, ปมาในเบื้องต้นนะครับหลักสี่อย่างแรกก็คือว่าอะไรเป็นหลักความจริงที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิญญาณนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ของคำอุปมาก็คือเราจะต้องเรียนรู้สิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณจากของที่อยู่ในโลกนี้สองครับบริบทเป็นอย่างไงบ้าง นะครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบทศาสตาตอนนี้เป็นยังไงเปียชูกําลังสอนใครอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้ะอะไรเกิดขึ้นในบทที่หลังจากนี้กับประการที่สามก็คือ a p p r e c a t i o n ก็คือเรารู้สึกประทับใจหรือหรือได้รับการสัมผัสแต่ต้องอะไรในจิตใจหรือได้รับการเตือนสอนในสิ่งที่บางสิ่งบางอย่างที่เราควรทําหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือไม่ a p p r e c a t i o n อันที่สีก็คือแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันก็คือว่าการนำความรู้ที่เราได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรนะครับเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดก่อนที่เราจะไปถึงข้อใดข้อหนึ่งในการตีความหรือในการตอบคำถามเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานก่อนครับทูลขอพระเจ้าให้เปิดจิตใจของเราต่อพระธรรมซึ่งเป็นคำอุปมาใลครั้งคาอุปมาเหล่านี้เมื่อ ถ้าเราเข้าใจบริบทไม่ได้ก็ยากครับที่จะแปลความหมายเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่พระองค์จะทรงเป็นผู้ที่เปิดให้ให้เราทั้งหลายได้เห็นความสว่างจากพระชนะของพระเจ้าและเมื่อเราเห็นความสว่างพระชนะนั้นจะเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตของเราและเพิ่มความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพระเจ้าและทำให้เราแสวงหานมามธรรยของพระเจ้าได้ง่ายและชัดเจน มากยิ่งขึ้นในชีวิตของเราเพียงกับการที่เราเรียนพระธัมภีร์นะครับพี่น้องอย่าเบื่อครับเราฟังทุกวันพี่น้องอย่าเบื่อครับเพราะว่ามันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปในชีวิตของเราเดี๋ยวเมื่อพระชนะของพระเจ้าได้ซึมซับเข้าไปในชีวิตของเรายิ่งมากเท่าไหร่ครับมันจะกลายเป็นชีวิตจิตใจของเรามันจะอยู่ในห้วงความคิดของเราเมื่อเราต้องการมันเมื่อไหร่เมื่อเราต้องการการหนุนใจ เกิดขึ้นเมื่อไรเมื่อเราต้องการการชี้นําชี้ทางเมื่อไหร่จากพระเจ้าเพราะเจ้าเหล่านั้นจะขึ้นมาโดยการทรงนําของพระมูลงานบริสุทธิ์ครับและจากตรงนี้นเองเราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าเรื่องของการทรงนําเรื่องของการแสวงหาน้ำมันไทยของพระเจ้าเรื่องของการที่เราจะเรีรู้วัตถุประสงค์ที่พระเจ้าเรียกเราเรียกเราแต่เมื่อเรายิ่งรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเราจะยิ่งรับใช้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นครับ เรายิ่งรับใช้นะครับเราก็จะซักซึ้งในพระคุณและการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าช่วยผู้รับใช้ของพระองค์เสมอพระเจ้าอยู่เบื้องหลังผู้รับใช้ของพระองค์เสมอและพระวิญญาณบริสุทธิ์เดินไปกับเราเสมอในการรับใช้พระเจ้าพี่นองครับผมก่อนที่จะจบวันนี้นะครับผมอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสอ่านพระคัมภีร์เองนะครับพระทิวบทที่สิบสามถ้าพี่น้องมีเวลานะครับอ่านตั้งแต่ข้อที่หนึ่งครับนะครับ จนถึงข้อที่สิบเจ็ดนะครับแล้วในวันพรุ่งนี้เราจะพบกันในคําอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชขาพระเจ้าช่วยพี่น้องเที่รทุกท่านนะครับคําอุปมาในบทที่สิบสามนี้เป็นบทที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินสวรรค์นนครับท่านคิดถึงแผ่นดินสวรรค์ท่านเราไม่เคยไปครับคุณและผมไม่เคยไปแต่เราจะเข้าใจแผ่นดินสวรรค์ในวัตถิบทที่สิบสามนี้ได้ต่อไป ขอพี่น้องได้เปิดพระคัมภีร์แล้วอ่านดูนะครับถ้าพี่น้องมีเวลาอ่านไปจนถึงข้อที่ห้าสิบสองเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาอ่านไปถึงข้อสิบเจ็ดแล้วสรุปใจความให้ได้และพรุ่งนี้เราจะพบกันครับปุปปมารเรื่องผู้หว่านพืชขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องรักในการทํางานรับใช้พระเจ้าแต่ละวันแต่ละวันด้วยความหวังใจด้วยความชื่นชมยิน ด, ดีและด้วยความสุขและพระพรที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอามีน